มีเกรดตอนหนึ่งนะเกี่ยวกับพุทธประวัติคราวหนึ่งพระองค์ก็เสด็จไปเมืองอาลาวีทั้งนี้เพราะว่าพระองค์เนี่ยมียานอย่างรู้ว่ามียาจกเข็นใจคนหนึ่งมีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมนะสามารถจะมีดวงตาเห็นธรรมได้ก็เลยเสด็จไปที่เมืองนั้น ไปถึงก็เป็นเวลาเช้าข่าวนี้ก็เป็นที่รู้กันนะในหมู่ชาวเมืองอาราวีชายคนนั้นเนี่ยที่เป็นยาจกเข็นใจเนี่ยก็ทราบนะแต่ว่ามีเรื่องด่วนไม่สามารถที่จะไปฟังไปเฝ้าพื้จ้าแล้วก็ไปฟังทรรมจับ่รงได้เพราะว่าวัวนี่หาย ต้องไปตามวัวก็จะคงจะเป็นอาชีพเลี้ยงวัวนะไปตามวัวจนเจอเสร็จแล้วก็ค่อยนะมาฟ้าพระพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นเวลาสายแล้วส่วนพระพุทธองค์เนี่ยนะตามประเพณีเมื่อพระองค์เสด็จไปเนี่ยชาวเมืองก็มีการถวายอาหาร พรง่งฉชันเสร็จนะปกติก็อาจอารย์นุโมธนาแล้วก็แสดงธรรมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพร่งรอนิ่งนะไม่แสดงพร่งรอใครนะก็รอชายคนนี้แหละพอชายคนนี้มาถึงเนี่ยนะก็มานั่งอยู่ท่าทากลางผู้คน คนก็เยอะเนียรอฟังธรรมจากพระองค์เมื่อพระองค์ทราบว่าชายคนนั้นเนี่ยมาถึงเนี่ยแทนที่พระองค์จะแสดงธรรมเลยเพราะว่าคนก็รอแล้วก็รอนานแล้วด้วยพระองค์ก็ตัดถามเจ้าภาพว่าอาหารนี่ยังพอมีเหลือไหมก็ทราบมีเหลือพระองค์ก็ตัดว่าเนี่ยเอาไปให้ผู้ชายคนนี้เ <c oughs> พยียม่ได้กินข้าวเลย คนนี้ก็คงกินกันมาหมดแล้วนะเพราะว่ า, าคงจะอาจจะฉันพ่อพ่อพระเจ้าก็ได้อาจจะทานอาหารพ่อกับพระ อ, อ, องค์ก็ได้ต่อเมื่อชาคนนั้นเนี่ยกินข้าวเสร็จเนี่ยพระองค์จึงแสดงธรรมนะนะแสดงเรื่องอ น, นิสง์ของทานศีลสวรรค์นะโทษของการมาสุขแล้วก็อาการเป็นอิสระจากกรรมก็คืออนุปุพิกถาแล้วก็ต่อด้วยอริสัตถ ซึ่งก็เป็นจะเรื่อเป็นสูตรเลยก็ได้นะของพระองค์นะที่ใช้แสดงธรรมโดยเพาะกับคารวาสเนี่ยชายคนนั้นก็นั่งตั้งใจฟังนะพอพระองค์แสดงธรรมเสร็จเขาก็บรรลุ ธ, ธรรมนะเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเรื่องนี้ก็ต่อมาก็มีคนสงสัยในเหตุการณ์นั้นนะว่าทำไมพระองค์เนี่ย ถึงต้องรอให้ชายคนนั้นเนี่ยกินข้าวเสร็จก่อนนะถึงแสดงธรรมคนในเมืองอาร์ลวิวก็สงสัยเหมือนกันนะก็คำตอบก็คือว่าชายคนนั้นเนี่ยนะตอนที่มาเนี่ยยังหิวมันสายแล้วข้าวก็ไม่ได้กินและพระองค์ก็รู้ว่าคนเราเนี่ยถ้าหิวแล้วนะใจก็เป็นทุกข์ ก็เป็นอุปสรรคของการฟังธรรมพระงก็ปรารถนาจะให้ชายคนนั้นเนี่ยนะั้นได้เข้าใจธรรมะก็เลยให้กินอาหารก่อนนะถ้าท้องว่างแล้วใจก็ไม่ค่อยเปิดนะฟังธรรมะอันนี้เป็นธรรมชาติมนุษย์นะพอท้องอิ่มแล้วนี่ถ้าไม่อิ่มมากนะไม่ถึงกับมีทุกขเวทนาเพราะความจุกเนี่ยนะก็ใจก็พร้อมจะเปิดรับนะ อันนี้เป็นเป็นแง่คิดนะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนหนึ่งความสําคัญนะของหรือความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจระหว่างอาหารกายกับอาหารใจนี่มาสัมพันธ์กันนะอ่าถ้าถ้าไม่มีอาหารกายนะเหตการที่จะจิตจะเปิดรับอาหารของใจนี่มันก็ยากนะอันนี้เป็นธรรมดาชาวปุทุชน อันนี้เคยอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิกบเพ็ญทุ ก, กรกกิริยาเลิกทรมานตนเลิกอัตสาหานะแล้วก็เริ่มมาฉันอาหารจนกระทั่งปัญจวัคคีย์ปฏิเสธหาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคลายความเพียรแล้วเรื่องอาหารกับการบรรลุ ธ, ธรรมนี่ก็ยังมีตัวอย่างหนึ่งนะเคยมีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งเนี่ยจะไปจำพรรษากับพระพุทธเจ้าเขาจะที่เมืองเชตวัน เพราะว่าไปไม่ถึงนะก็เป็นถึงเวลาเข้าบรรษาซะก่อนก็เลยต้องอยู่พำนักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งก็อยู่ไกลาจากเชตาว น, นะก็คงเป็น100กิโลหรือเป็น 10-10 กิโลคนในเมืองนั้นเนี่ยไม่รู้จักพระสงฆ์นะไม่รู้จกักพุทธศาสนาแต่ก็เรื่องธรรมเนียมนักบวชเนี่ยเขารู้จักกันดีนะเพราะว่าอินเดียสมัยพุทธกายนักบวชเยอะเมื่อเห็นพระ เหล่านี้มาก็ น, นิมนต์เศรษฐีนีคนหนึ่งนะชื่อว่านางมาตาติกะก็ น, นิมนต์ให้มาจำพรรษาเนี่ยในที่ของตัวมีพื้นที่กว้างเป็นป่าเมื่อพระสงค์มาแล้วเนี่ยท่านก็แยกย้ายกันไปอยู่โคนไม้นะต่างก็ตกลงกันว่า ให้อยู่กันอย่าแบบหลีบเล่นนะถ้าไม่มีเหตุอะไรก็ไม่ต้องมาพบกันนะจะมาพบกันก็ต่อเมื่อมาฉันอาหารทางด้านมาตานามาตาปิตามาตาติการอย่างแกก็ให้ทาสีนะทางคนใช้เนี่ยนะเป็นผู้มาถวายอาหารเวลามาถวายอาหารก็ตีระครังตีระครังก็เป็นสัญญาณว่าเอาพระมามาพบกัน มารับอาหารแล้วก็เสร็จแล้วก็แยกแย้ายกันไปก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายวันวันหนึ่งนางก็ก็มากับนางทาสีนางทาสีก็ตีะระฆังนะเพื่อเป็นสัญญาณว่าอาหารมาแล้วพระก็ออกมาจากทุกที่ทุกทางเลยจากบุมนั่นบ้างบุมนี้บ้างนางก็สงสัยทำไมไม่อยู่รวมกันพระไม่ถูกกันึงไงนะทำไมถึงต้องแยกกันอยู่ ก็มีหัวหน้าพระสงฆ์อธิบายว่าเนี่ยเรามาเพื่อจะมาบําเพ็ญสมณธรรมบําเพ็ญภาวนาไม่ประสงค์การคุกคลีจึงแยกกันอยู่นะจะมาพบการรวมกันก็ต่อเมื่อมีสัญญาณหรือมีเหตุอนานก็เลยรู้ธรรมเนียมพระสงฆนะ์ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็เลยถามต่อไปว่าเออท่านภาวนาภาวนายัางไงพระก็แนะนนะําในวิธีการภาวนาเรื่องกายคตาสติ ก็คือการมีสติพิจารณากายดูกายนะซึ่งก็มีหลายความหมายนะดูให้เห็นถึงความความเสื่อมของกายหรือว่ากายประกอบไปด้วยอะไรมีธาตุดินน้ำไฟลมหรือว่ามีประกอบด้วยอาวิยะหรือให้เห็นถึงความน่าเกลียดของร่างกายหรือว่าให้มีสติอยู่ในกายทำอะไรก็รับรูนะ้นางสนใจก็เลยเอาไปทำนะเอาไปทาตามนะบอกว่าทำได้เร็วนะ บรรลุธรรมบรรลุธรรมเป็นผ้านาคามีแล้วก็มียานอย่างรู้เรียกว่ามีาเจโตปริย า, ยานมีทิพยจักสุด้วยก็ใช้ยานเนี่ยนะพิจารณาไปถึงพระเหล่านี้ว่าเป็นยังไงสบายดีไหมไปตรวจสอบจิตใจแต่ละท่านก็พบว่ายังเป็นปุตุชนอยู่นะลูกศิล์เ น, น่เป็นโยมอะบรรลุธรรมไปแล้วนะ อาจารย์นี่ยังเป็นปุถุชนอยู่เลยอันนี้ลูกศิษย์เนี่ยนางมันตาติกานี่ก็สงสัยว่าทำไมยังไม่บรรลุธรรมนะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรื่องเสนาสนะลําบากหรือเปล่าก็ไม่ใช่สุดท้ายก็มาพบว่าเป็นเพราะอาหารนะเพราะรู้สึกว่าทราบดีว่าเนี่ยพระแต่ละรูปนี่ถ้าทางจะหิวนะก็เลยสั่งให้นางทาสีเอาอาหารมาเพิ่มนะให้ให้ให้ให ให้ให้กินให้ชันอย่างอย่างอิ่มไปเลยนะบอกว่าไม่นานนะพระเหล่านั้นก็บรุธรรมนะบรรุธรรมเลยนะก็พอพรรษา ก, ก็เลยไปท่าเหล่านั้นก็เลยไปไปไปทูลผู้ทูเจ้ า, าไปเมืองเชตวันแล้วก็ไปทูลผู้เจ้าเรื่องนี้แหละ ที่จรมีเรื่องอื่นมีเรื่องสืบเรื่องต่อต อ, ตอจากนี้นะแต่ว่าเอาเท่านี้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะ่งว่าพอเรื่องอาหารเนี่ยนะกับการบรรลุธรรมมันเกี่ยวข้องกันนะการที่คนเรานี่จะมีอาหารใจจนกระทั่งนะเกิดการเข้าใจทำอย่างจำแจ้งเนี่ยมันสัมพันธ์กับกายถ้ากายเจ็บป่วยกายหิวนะก็ยากนะเพราะนั้นเนี่ยถห า, ากว่ามี อาหารระงับความหิวมีอาหารพอเพียงก็ทําให้จิตใจเนี่ยนะพร้อมที่จะเปิดรับธรรมะเพราะนั้นทางพุทธศาสนาเนี่ยนะจึงเห็นว่าเรื่องสัพเพะอย่างหนึ่งเนี่ยคืออาหารสัพเพะหมายถึงว่าสิ่งที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมอาหารเป็นสิ่งจําเป็นไม่ได้ปฏิเสธอาหารนะอันนี้อาจจะต่างจากศาสนาอื่นนิกายอื่นนะนิกายอื่นเขาจะ จะบรรลุธรรมก็จะอดอาหารนะอดบ้างหรือว่าอดถึงขั้นเรียกว่ า, าถึงแก่ชีวิตเลยศาสนาเช น, เนี่นะการบรรลุการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดนะขั้นอุกฤษนะคือการอดอาหารจนตายเพราะก็เชื่อว่าจะทำให้บรรลุธรรมได้อย่างปู่พระเจ้าอาโศกเนี่ยพระเจ้าจันทรคุปเนี่ยนะเคย ทำศึกสงครามจนได้อนาจาักที่ยิ่งใหญนะ่เหมือนพระเจ้าโศกนะประวัติคล้ายๆกันเสร็จแล้ววันดีคืนดีบ้านเมืองก็เกิดความอดอยากยากแค้นผู้คนล้มตายด้วยความหิวโหวยด้วยโรคภัยไข้เจ็บทำยังไงทำยังไงก็ปัญหาก็ไม่ทุเลาคนเดียวเวลานนั้นเนี่ยจนกระทั่งเมืองไทยเวลาเมื่อไม่นานนี้ยังเชื่อนะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์มันจะแสดงว่า พระราชาเนี่ยไม่ไม่บำเพ็ญทศพิธราชธรรมพระเจ้จาจันทรคุปต์ก็เลยพิจารณาให้เป็นพ่ออะไรนะก็มีนักบวชเชนบอกเนี่ยเป็นพ่อท่านเนี่ยนะเคยไปทําศึกสงครามมาฆ่าคนตายไปเยอะพระเจ้จาจันทรคุปต์ก็เลยรู้สึกผิดนะแล้วก็นักบวชเชนก็บอกว่าเนี่ยไถ่โทษนะไถ่าบาปด้วยการออกบวชพระเจ้จาจันทรคุปต์นี่ก็เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะ เห็นบ้านเมืองเดือดร้อนแล้วคิดว่าถ้าบ้านเมืองจะถูกสบายพ่อตัวเองออกบวชตัวเองก็ทําก็เลยออกบวชตามพระที่เชนนะทิ้งหมดเลยนะทิ้งหมดทุกอย่างแล้วก็ไปบําเพ็ญธรรมะในป่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็บําเพ็ญขั้นสูงสุดนะั่นคือการอดอาหารอดอาหารจนตายเนี่ยเขาเรียกว่าสันเลขาธรรมสันเลขะนี่มันแปลว่าขัดเกากิเล็ด น, นะแต่ของเชนเนี่ย จะขัดเกลาเกลีได้ต้องอดอาหารจนตายประเภทนี้เนี่ยมีอยู่นะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีนักบวชเป็นแม่ชีนะอายุยังไม่มากนะสามสิบกว่าแกก็บาเพ็ญ น, นะสันเล่ขัดธรรมนี่แหละนะอดอาหารจนตายเลยแล้วก็ไม่ใช่อดอาหารในป่านะมีคนเฝ้าดูนะมีคนดูแลนะคนดูแลคนก็ค่อยนะ ค่อยๆให้ลดลดอาหารทีลนิตทเลนิตทเลนิตจนกระทั่งไม่ให้อาหารเลยแล้วก็เฝ้าดูแม่ชีคนนี้จนตายอันนี้เป็นความเชื่อของลทัทธิเชแล้วก็ลทัทธิหลายศาสนาในอินเดียแต่ของไทยเนี่ยของพุทธเนี่ยเราเห็นว่ า, าการเรื่องอาหารเนี่ยมันจําเป็นต่อการบรรลุธรรมเนี่ยพระเจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยหลังจากที่ได้ให้อาหาร กับชายจะจกเห็นใจจนบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยผู้เจ้าก็ตัดเป็นคาถาเนี่ยความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนะความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งหมายความเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อไม่ใช่ต่อกายและอย่างเดียวแต่ใจด้วยแต่การอดอาหารก็อาจจะมีประโยชน์นะพระหลายรูปท่านก็อดอาหารเพื่อฝึกสมาธิเพราะว่าถ้าอดอาหารใจมันจะสงบใจกิเลสมันจะเบาบางหรือว่าอาจจะต้องการออาหารเพื่อฝึกความอดทนก็ได้ฝึกขันติธรรมแต่หลายท่านก็อดเป็นอาทิตย์นะ เพเพราะว่าใจสงบพอใจสงบรัสมาธิดีฌานก็เกิดขึ้นได้ง่ายแต่แต่ที่นี่นี่เราไม่ในเรื่องความสงบแบบนั้นนะเพราะแล้วก็ฉันหารตาปกติจะอดบ้างก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นแค่อุบายเป็นแค่วิธีการเพื่อจะนาไปสู่สิ่งดีๆบางอย่างนะแต่ไม่ใช่เพราะว่าการอดจะทำให้บรรลุธรรมได้นะอันนี้ก็ต้องเข้าใจถ้าคิดแบบนั้ น, นก็เป็นศรริลปตปรมาอเราก็เตรียม รับผ่